พุทธธรรมฉบับปรับขยายภาคที่สชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทความประกอบที่สบทที่ยี่สิเรื่องเหนือสามัญวิสัยปาฏิหารเทวดาเรื่องที่ถูกกล่าวพาดพิงถึงในบทตอนที่ผ่านมาซึ่งควรชี้แจงเพิ่มเติมยังมีอีกหลายเรื่องในที่นี้เห็นควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาร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 ในทัศนะของพระพุทธศาสนาอิทธิปฏิหารก็ดีเทวดาวหรือเทพเจ้าต่างๆก็ดีมีจริงหรือไม่และถ้าตอบตามหลักฐานในคำพีมีพระไตรปิฎกเป็นต้นโดยถือตามตัวอักษรก็ต้องว่ามีหลักฐานที่จะยืนยันคำตอบนี้มีอยู่มากมายทั่วไปในคำภีจนไม่จำเป็นจะต้องยกมาอ้างยิง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 ก็คือมนุษย์ควรมีท่าทีและควรปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับพระพุทธศาสนาปัญหาว่าผีสางเทวดาอำนาจลึกลับอิทธิปฏิหารมีอยู่จริงหรือไม่ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริงสิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และอะไร คือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้นอาจมีบางท่านแย้งว่าท้าไม่พิสูจน์ให้รู้แน่เสียก่อนว่ามีจริงหรือไม่จะไปรู้ฐานะและวิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรก่อนจะตอบควรแย้งกลับเสียก่อนว่าเพราะมัวเชื่อถือและยึดมั่นอยู่ว่าจะต้องพิสูจน์เสียก่อนนี่แหละ สิ่งได้เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ขึ้นแล้วมากมายโดยที่จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังพิสูจน์กันไม่เสร็จคำตอบในเรื่องนี้แยกออกได้เป็นเหตุผลสองข้อใหญ่ประการแรกเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้ทั้งเรื่องอิจิริษปฏิหารก็ดีเทพไทเทวาก็ดีจัดเข้าในประเภทสิ่งลึกลับ ที่พูดยงรวบรัดตามความหมายแบบชาวบ้านว่าพิสูจน์ไม่ได้คือเอามาแสดงให้เห็นจริงจนต้องยอมรับโดยเด็ดขาดไม่ได้ทั้งในทางบวกและในทางลบหมายความว่าฝ่ายที่เชื่อก็ไม่อาจพิสูจน์จนคนทั่วไปเห็นจ่แจ้งจนหมดสงสัยต้องยอมรับกันทั่วทั้งหมดฝ่ายที่ไม่เชื่อก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเด็ดขาดลงไป จนไม่ต้องเหลือเยื่อใ่ไว้ในใจของคนอื่นๆว่ายังอาจจะมีทั้งสองฝ่ายอยู่เพียงขั้นความเชื่อคือเชื่อว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีหรือไม่เชื่อว่ามีซึ่งถึงว่าได้เห็นจริงก็ไม่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นจริงอย่างนั้นด้วยยิ่งกว่านั้นในสภาพที่พิสูจน์อย่างสามัญไม่ได้นี้ สิ่งเหล่านี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเป็นของปลุกปุกโผ ล, ล, ล่หรือลับรับล่อๆหมายความว่าบางทีมีเขาให้ตื่นใจว่าคราวนี้ต้องจริงแต่พอจะจับให้มัน่นก็ไม่ยอมไม่สมใจจริงรันทำบางอย่างได้สมจริงก็ยังมีแง่ให้เคลือบแคลงต่อไปเข้าแนวที่ว่ายิงค้นก็ยิงลับยิงลับก็ยิงลอยค้น คนตามที่ถูกล่อก็ยิ่งหลงและก็หมกมุ่นวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนชักจะเลื่อนลอยออกไปจากโลกของมนุษย์ในเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์เป็นสิ่งลับล่อและมักทำให้หลงไหลเช่นนี้การมัววุ่นวายกับการพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นย่อมก่อให้เกิดโทษหลายอย่างทั้งแก่บุคคลและสังคม นอกจากเสียเวลาและเสียกิจการเพราะความหมกมุ่นวุ่นวายแล้วเมื่อต้องมัวรอกันอยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีแล้วก็พิสูจน์กันไม่เสร็จสักทีผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อก็ต้องมาทุ่มเทียงหาทางหักล้างกันแตกสามะคีทะเลาะวิวาดกันเพราะเรื่องที่ไม่ชัดเจนและในระหว่างนั้นแต่และพวกละฝ่ายต่างก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้น ไปตามความเชื่อและไม่เชื่อของตนไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขการปฏิบัติต่างๆที่เกิดโทษก่อผลเสียแก่ชีวิตและสังคมเพราะต้องรอให้พิสูจน์เสร็จก่อนจึงจะยุติการปฏิบัติให้ลงเป็นอันเดียวกันได้ซึ่งก็ยังพิสูจน์กันไม่เสร็จจนบัดนี้จึงเป็นอันต้องยอมรับผลเสียกันอย่างนี้เรื่อยไปไม่เห็นที่สิ้นสุดถ้าหากไม่ยอมรับหรือไม่ยอมรอ ก็ต้องใช้วิธีบังคับข่มเหงกันโดยฝ่ายที่เชื่อบังคับฝ่ายที่ไม่เชื่อให้ปฏิบัติอย่างตนหรือฝ่ายที่ไม่เชื่อบังคับฝ่ายที่เชื่อไม่ให้ปฏิบัติตามความเชื่อของเขาดังจะเห็นได้ในลทัทธินิยมทางการเมืองและระบบการปกครองบางอย่างที่ยึดมั่นว่าตนนิยมวิธีวิทยาศาสตร์เมื่อผู้ปกครองในระบบนั้น เห็นว่าความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เป็นของเลวไหลงมงายเมื่อเขาจับหลักมีเรื่องนี้ไม่ถูกและหาทางออกให้แก่ประชาชนไม่ได้แต่ต้องการทำให้ประชาชนปฏิบัติตามลักทินิยมคือความเชื่อของเขาก็ต้องใช้วิธีบังคับให้ประชาชนเลิกปฏิบัติตามความเชื่อของประชาชนหรือปลุกเรา้าป้อนความเชื่อในทางตรงข้ามคือความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีจริง แก่ประชาชนหรือทำทั้งสองอย่างแต่วิธีการปิดกั้นบังคับหรือปลุกเรานี้เป็นการทิ้งช่องว่างอันกว้างใหญ่ไว้เพราะมิใช่เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือมิได้ชำระสัตว์กูยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยเพียงแต่เก็บซ่อนเอาเชื้อแล้วแรงกดดันอัดไว้ตราบใดอำนาจ บ, บังคับแล้วแรงปลูกรายังเข้มแข็ง ก็ยังข่มคุมไว้ได้แต่เมื่อใดอำนาจบังคับและแรงปลุกเรา้าอ่อนแอคลายจางลงเชื้อและแรงกดดันนั้นก็มีโอกาสที่จะโผล่ออกงอกงามเฟื่องฟูได้ต่อไปและเมื่อถึงเวลานั้นการปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นไปอย่างงมงายขาดหลักปราะศะจากทิศทางทำให้เกิดผลเสียได้เหมือนอย่างเดิมอีกโดยไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด อีกประการหนึ่งในเมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงในระดับแห่งความเชื่อของผูุ้ชนก็ย่อมผันแปรกลับกลายได้ดังจะเห็นได้ว่าบางคนเคยไม่เชื่อถือสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้เลยคือเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่เป็นจริงและดูถูกดูหมิ่นความเชื่อนั้นอย่างรุนแรงต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ลับล่อที่เป็นเงื่อนต่อแห่งความเชื่อนั้นเข้า ก็กลับกลายเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างปักจิตฝังใจตรงข้ามไปจากเดิมและเพราะเหตุที่ไม่มีหลักส่องนำทางในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้หมกมุ่นหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นยิ่งไปกว่าคนอื่นๆอีกมากมายที่เขาเชื่ออย่างนั้นแต่เดิมมาในทํานองเดียวกันบางคนที่เคยเชื่อถือมั่นคงอยู่ก่อน ต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ที่ซว่าสิ่งที่เชื่อจะไม่เป็นไปสมจริงหรือไม่แน่นอนความเชื่อนั้นก็กลับสั่นคลอนไปหรือบางทีอาจกลายเป็นผู้ไม่เชื่อไปเสียก็มีในกรณีเหล่านี้มนุษย์ทั้งหลายล้วนแต่มัววุ่นวายกับปัญหาว่ามีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นพาดกันขาดหลักการในทางปฏิบัติ ที่จะเตรียมป้องกันผลเสียต่อชีวิตและสังคมจากความเชื่อหรือไม่เชื่อของพวกตนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติมุ่งสอนสิ่งที่ทำได้ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์พอกับทุกระดับแห่งความพร้อมหรือความแก่กล้าสุกงอมของตนของตนสำหรับเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้พระพุทธศาสนาก็ได้วางหลักการในทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อสิ่งเหล่านั้นมีจริงมนุษย์ควรวางตัวหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรและที่วางตัวหรือปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไรเหมือนดังพูดว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ท่านควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องผู้ที่เชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามสามารถและสมควรทำตามหลักปฏิบัติ ที่พระพุทธศาสนาแนะนำไว้นี้ได้เพราะตามหลักปฏิบัตินี้ทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อจะประพฤติตนต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยจะผิดแปลกกันบ้างก็เพียงในสิ่งยุมยิ้มเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนั้นยังเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายโดยที่ทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อ ต่างก็มีความเอื้อเฟื้อเอื้อเอ็นดูต่อกันผู้ที่เชื่อก็ปฏิบัติไปโดยไม่เกิดผลเสียแก่ชีวิตและสังคมผู้ไม่เชื่อก็สามารถปฏิบัติต่อผู้ที่เชื่อได้ถูกต้องและสามารถแนะนำผู้ที่เชื่อให้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เขาเชื่อในทางที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต่างมีเมตตาเคารพซึ่งกันและกันหลักการในการปฏิบัติ หรือความเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินี้หละที่เป็นคุณในพิเศษของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาได้ริเริ่มขึ้นใหม่อันทาให้ต่างจากศาสนาปรัชญาทั้งหลายอื่นตลอดจนลทัทธินิยมอุดมการทั้งหลายแม้ในสมัยปัจจุบันหลักการจำเพาะในกรณีนี้คือสำหรับสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์และมิใช่ธรรมะ สำหรับเข้าถึงให้ใช้การวางท่าทีหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลักข้อนี้รวมอยู่ในเกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรมซึ่งเป็นอีกบทหนึ่งต่างหากที่คิดไว้ว่าจะเพิ่มเติมในหนังสือพุทธธรรมเมื่อมีโอกาสเมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธศาสนาแนะนาไว้แล้วอย่างนี้ ถ้ายังมีคนกลุ่มใดสนใจที่จะคน้นคว้าพิสูจน์ความมีจริงเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ต่อไปก็นับว่าเป็นงานอดิเรกของคนเหล่านั้นซึ่งคนทั่วไปอาจวางใจเป็นกลางและปล่อยให้เขาทำไปเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆแกสังคมเปรียบได้กับนักค้นคว้าวิจัยในวิชาการสาขาต่างๆอย่างอื่น เท่าที่กล่าวมาเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเหตุผลในข้อแรกมุ่งที่ประโยชน์ในทางปฏิบัติของมนุษย์ทั้งหลายอย่างไรก็ตามการที่พระพุทธศาสนาไม่สนใจในปัญหาเกี่ยวกับความมีอยู่จริงหรือไม่ของริปปฏิหารและเทพเจ้าทั้งหลายจนถึงขั้นที่ว่าเมื่อวางท่าทีและปฏิบัติตนถูกต้องแล้ว ใครจะสนใจค้นคว้าพิสูจน์เรื่องนี้ต่อไปก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องนั้นท่าทีเช่นนี้ย่อมเกี่ยวเนื่องถึงเหตุผลประการที่สองซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับหลักการขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาด้วยกล่าวคือความมีอยู่จริงหรือไม่ของสิ่งเหล่านี้ไม่กระทบต่อหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา หมายความว่าถ้าแม้ว่าอิทธิริ์ปาิหารและเทพเจ้าจะมีจริงแต่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาย่อมเป็นไปได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเนื้อสามัญวิสัยทั้งสองประเภทนั้นแต่ประการใดเลยสำหรับเรื่องอิทธิปาิหาร พึงอ้างพุทธพจน์จากทีฆานิกายปารติกวรกพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เนี่ยสุนักขัดเธอเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อเราทําอิทิปาติหารซึ่งเป็นธรรมของมนุษย์ยิ่งยวดก็ตามไม่ทําก็ตามทําที่เราได้แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดจะนําออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกขโดยชอบได้หรือไม่ สุนักขัตูลตอบว่าย่อมนำออกไปเพื่อความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้นี่เนี่ยสุนักขัตเธอเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อเราบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของโลกก็ตามไม่บัญญัติก็ตามทมที่เราได้แสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้หรือไม่ ทูลตอบว่าก็ย่อมจะนำออกไปเพื่อความหมดสิ้นทุกขโดยชอบได้ส่วนเรื่องเท พ, พเจ้าจะได้พิจารณาเหตุผลเป็นแง่ๆต่อไปเฉพาะในเบื้องต้นนี้พึงพิจารณาพุทธภาษิตจากคุตการนิกายสุตตานิบาตดังนี้ การถือไม่กินปลาไม่กินเนื้อก็ดีการประพฤติเป็นฉีบเลื้อยก็ดีความมีศีรษะโล้นก็ดีการมุ่นมวยผมเป็นชดาก็ดีการอยู่คลุกฝุ่นทุลีก็ดีการนุ่งห่มหนังเสืออันยากร้านก็ดีการบูชาไฟก็ดีการบำเพ็ญพรษหมายจะเป็นเทวดาก็ดีการบำเพ็ญตบะต่างๆมากมายในโลกก็ดีประเวทก็ดี การบูงสวงสังเวยก็ดีการบูชายันก็ดีการจำพระตามฤดูก็ดีจะชำระสัตว์ผู้ยังข้ามไม่พ้นความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้ก็หาไม่ที่กล่าวมานี้เป็นหลักการทั่วไปที่ควรทราบไว้ก่อนต่อจากนี้ถ้ายอมรับว่าอิทธิปาิหารและเทวดามีจริง ก็พึงทราบฐานะของสิ่งเหล่านั้นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นดังต่อไปนี้